สชาณะคตนาห้า้สนเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคืออินทรียะสหาชาตะนิสยะชาณนะอัตถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนอุปนิสยะปัจจัยกับ มีเจดวาระณสำปรยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสวาระโนนาธิปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญานิสยาชาณะอัตติและอวิคตะมีสามวาระณสำปรยุตตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจแปดคืออินทรียะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะชานะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตตปัจจัยกลับและถึงมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ เออินทริยะสหชาตะนิสยะชานะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสี่เนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดอินทริยะสหชาตะนิสยาวิปากะชานะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ น, จจจจ 8, นัเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะชาณนะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัยเก้าคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะชาณะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาเหตุุปัจจัยกับปัจใจแปดเคยอินทริยะสหชาตะนิสยะวิปากะชาณะวิปยุตตะอาติและวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจใจเก้คืออินทริยะสหชาตานญญมัญญะนิสยะวิปากะชาณนะวิปยุตะะะตะอาทิ และอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสชานามัคคะคตานาหกร้อยณเหตุปัจจัยกับปั จ, จัจเจ็ดเคออินทรียะสหาชาตะนิสยะชาณะมัคคะอัตติและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ ณอุปานิจยปัจจัยกับมีเจดวาระณสัมบยุตตปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจแปดคืออินทริยสหชาตะอัญญมัญญะนิสยชาณะมัคคะอัติและอวิคตะมีสามวาระ นอุปานิสยปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยเก้าคืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาชานะมัคคะสัมปยุตตะ อธิและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคืออินทริยะสหชาตะนิสยะชานะมรคะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสี่ณเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคืออินทริยะสหชาตะ นิสยะวิปากะชาณะมัคคะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยเก้าเคย อ, อินทริยะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะชาณะมัคคะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นเหตุปัจจัยกับปัจจัยสิทธิ์เคยอินทริยะชหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะชาณะมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเกเคยอินทริยะชหาชาตะนิสยะวิปากะชาณะมัคคะวิปยุตตะอัติและอวิคตะ มีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยสิทธิ์คืออินทริยะสหาชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะชานะมัคคะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะาห้าสหะระคตาณาหกร้อยหนึ่ง นเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกคืออินทรียะสหชาตะนิสยาอหระอัติและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอุปาณิสยาปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณสัมปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนนติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมี7วาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทรียะสหชาตะปัญญามัญญานิสยะอาหาระอัติและอวิคตะมีสามวาระณสัมพยุตตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสมวาระโนนัตติปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีสามวาระ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัย8เคยอินทริยะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะอาหาระสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดเคยอินทริยะสหชาตะนิสยะอาหาระวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับ มีสามวาระอวิปากะสี่เหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดออินทริยะสหชาตะนิสยะวิปากะอหาระอัิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอหาระอัิ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 วิปากะอาหาระวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนะวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยเก้าเคยอินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอาหาระวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนะวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้า สาธิปติอาหารคะะตะนาหกร้อสองณเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจดคืออินทริยะอธิปติสหาชาตะนิสยาอาหารอัตติและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอุปานิสยาปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณสมยุตตปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระ โนนัติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัก้าคืออินทริยะอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิจยะอาหาระสำปรยุตตะอถิและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปจัจใจแป8คือ Chance, Simmons, อินทริยะอธิปติสหชาตะนิจยะ อาหาระวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีสามวาระอวิปากะสามนเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคืออินทริยะอธิปติสหชาตะนิจยะวิปากะอาหาระอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยสิบ เคออินทรียะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอหาระสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหน no ึ่งวาระะเหตุปัจจัจกับปัจใจก้าเคออินทรียะอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอาหาระวิปยุตตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะ3 ส, สาธิปติมัคระคตนาหกร้สาเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทริยะอธิปติสหาชาตะนิสยะมัคระอัติและอวิคตะมีเจดวาระนาัญญะมัญญะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนะอุปนิสยาปัจจัยกับมีเจดวาระ ณสัมยุญตตปัจจัยกับมีสามวาระณวิยุต์ตปัจจัยกับมีสามวาระโนนาธิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยเก้าคืออินทริยะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะมะัคคะสัมยุญต์ตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับ มีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8เคยอินทริยะอธิปติสหาชาตะนิจยะมะะัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตมะตจจมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสามเหตุปัจจัยกับปัจจัย8เคยอินทริยะอธิปติสหาชาตะนิจยะวิปากะมะะัคคะ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 เก อ, อินทรียะอธิปติสหชาตะนิจยะวิปากะมะัคคะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิขตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะสามสเสหตุมัคคะคตนาหกร้อสี่าอารมณะปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดเอินทริยะเหตุสหชาตะนิจยะมะัคคะ อธิและอวิคตะมีสี่วาระนอัญญามัญญปัจจัยกับละถึงมีสองวาระนอุปานิสยปัจจัยกับมีสีวาระนาสัมบยุตตาปัจจัยกับมีสองวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับมีสองวาระโนนาธิปัจจัยกับมีสีวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสี่วาระนอารมณปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะเหตุ สหชาตะอัญญมัญญะนิสยะมัคคะอัตติและอวิคตะมีสองวาระณสัมพยุติปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณวิพยุติปัจจัยกลับมีสองวาระโนนาทิปัจจัยกลับมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีสองวาระณอารมณ์ปัจจัยกับปัจจัย9เคยอินทรียะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะ นิสยะมัคคะสมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยกับละถึงมีสองวาระนอารรมณปัจจัยกับปัจจัย8ปคืออินทรียะเหตุสหชาตะนิสยะมัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสองวาระอวิปปากะสี่ นอารมณปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะเหตุสหชาตะนิสยะวิปากะมรคะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะอารมณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะมรคะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับปัจใจสิบเค Couple, าาออินทรียะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับ ok มีหนึ่งวาระณอารมณะปัจจัยกับปัจจัย9ค una, ืออินทริยะเหตุสหชาตะนิสยาวิปากะ มัคคะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึน่งวารณะณอาระมณปัจจัยกับปัจจัยสิบคือ quiser, อินทรียะเหตุสหชาตะอั Ан ญญมัญญานิสยะวิปากรรมคะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะรห้า สเสห์ตาทิปฏิมขระขตนา6กรหณอารมณปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะมขระอัติและอวิคตะมีสีวาระณนะอนันตระปัจจัยกับละถึงมีสีวาระณนะสมนันตระปัจจัยกับมีสีวาระณนะอัญญมัญญะปัจจัยกับมีสองวาระ นอุปนิสยปัจจัยกับมีสีวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสีวาระนาปชัชชาตปัจจัยกับมีสีวาระนอเสวนะปัจจัยกับมีส um ีวาระนกรรมะปัจจัยกับมีสีวาระนวิปากปัจจัยกับมีสีวาระนอาหารปัจจัยกับมีสีวาระนาชานะปัจจัยกับมีสีวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสองวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีสีวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสีวาระอารมณะปัจจัยกับปัจจัยสิบคืออินทริยะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญามัญญานิสยะมัคคะสมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระนันตระปัจจัยกับละถึงมีสองวาระ นะสมนันตระปัจจัยกับมีสองวาระนะอุปาณิสยปัจจัยกับมีสองวาระนะปุเรชาตปัจจัยกับมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสองวาระนาอาศัยวนปัจจัยกับมีสองวาระนากรรมปัจจัยกับมีสองวาระนาวิปากปัจจัยกับมีสองวาระนาอาหารปัจจัยกับมีสองวาระนาชานะปัจจัยกับมีสองวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสองวาระณอารรมณปัจจัยกับปัจจัยเคืออินทริยะเหตุอธิปติสหาชาตะนิจยะมะะัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระณอนันตระปัจจัยกับละถึงมีสองวาระ ณสมณันตรปัจจัยกับมีสองวาระณอัญญมัญญะปัจจัยกับมีสองวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีสองวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสองวาระณอาศวนปัจจัยกับมีสองวาระณกรรมะปัจจัยกับมีสองวาระณวิปากะปัจจัยกับมีสองวาระ ณอาหารรปัจจัยกลับมีสองวาระณชาณปัจจัยกลับมีสองวาระณสัมยุญตัปัจจัยกับมีสองวาระโนัตถิปัจจัยกลับมีสองวาระโนวิคตตปัจจัยกลับมีสองวาระอวิปากะสามณอรมณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียะเหตุอธิปติสหชาตะนิสยาวิปากะมัคคะอัตติ และอวิคตะมีหนึ่งวาระณอนาตตะปัจจัยกับละถึงมีหนึงน ed, จจหน่งวาระณสมนั itar, จจมนตะนาานปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัชชะชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาเจวะณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัสัมยุญตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอารมณะปัจจัยกับปัจจัยสิบคืออินทรียะเหตุอธิปติสหชาตตะ อัญญามัญญะนิสยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณสมานันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปาณิสยาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปะชาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเสวณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นกกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัชาณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาอรมณะปัจจัยกับปัจจัยสิทธ์คืออินทรียะเหตุอธิปติสหชาตะนิจยะวิปากะมรคะ <Yeah. S 1> วิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอันันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเจวะณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณัชาญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะสามอินทริยะมูลกะในจอ ภูเก็ในหกร้อณเหตุปัจจัยกับชาณะปัจจัยมีเจดวาระณอารมณปัจจัยละถึงมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอนาตตะปัจจัยมีเจดวาระณสมนันตะปัจจัยมีเจดวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณนิสยาปัจจัยมีเจดวาระณอุปนิสยาปัจจัยมีเจดวาระ นปุเรชาตปัจจ er ัยม um ีเจ็ดวาระนาปชาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนอเสวณัปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยมีเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระนอินทรียะปัจจัยกับชานะปัจจัยมีเจดวาระนมัคราปัจจัยละถึงมีเจดวาระนสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระ นวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตาปัจจัยมีเจ็ดวาระชานะสมัญญาคตาาหกร้อยเจ็ดนเหตุปัจจัยกับปัจใจห้าเคยชานะสหชาตะนิจยอัตถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระณันะอญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณนะอุปนิสยปัจจัยกับ มีเจ็ดวาระณสัมำยุตตปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจหกเคยชานะสหชาตะอัญญมัญะนิสยาอัติและอวิคตะมีสามวาระณสัมำยุตตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถ ah! no, no, ิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็เคยชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย6เคยชานะสหชาตะ นิสยะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสี่นเหตุปัจจัยกับปัจใจหกเคชานะสหชาตะนิสยาวิปากะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจ 6, เจ็ดเคชานะสหชาตะ อัญญมัญญนิสยะวิปากะอัติและอวิคตะมีหน <i ara. S 2> ึ ISTIN ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระน่เหตุปัจจัยกับปัจใจแปดเพืชานะสหชาตะอัญญามัญญานิสยะวิปากะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระน่เหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ดเพืชานะ สหชาตะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระและเหตุปัจจัยกับปัจจัย8เพชานะสหชาติัญญะมัญญะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้า สอินทริยะคตะนาหกร้อยแปดณเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกเคือชานะสหาชาตะนิจยะอินทริยะอัติและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอัญญามัญญะปัจจัยกลับมีสามวาระาอุปานิจยะปัจจัยกลับละถึงมีเจ็ดวาระณสำยุตตาปัจจัยกลับมีสามวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระ โนนัต no, ิป <ible> It ัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ดคือชานะสหชาตะอัญญามัญนิสยาอินทริยะอถิและอวิคตะมีสามวาระณสำปรยุติปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณวิปรยุติปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีสามวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจใจแปดเคยชานะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะสำปรยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ดเคยชานะสหาชาตะนิสยาอินทริยะวิปยุตตะอัตติ และอวิคตะมีสามวาระ โ, โนวิคตะปัจจัยกลับมีสามวาระอวิปากะสนะเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ดเคชานะสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ <S <S <At> ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจใจแปดเคชานะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะ วิปากะอินทริยะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจเก้าเคชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตเปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจแปด คือชานะสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือชานะสหชาตานิญมัญญ ะ, น, ะนิสยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นวิคตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะหสมัคคะคตะนาหกร้อยเหตุปัจจัยกับปัจจัย6เคชานะสหชาตะนิสยามัคคะอธิและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอุปนิสยาปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ ณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสวาระโนนาทิปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระณนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือชานะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะมะคะอัติและอวิคตะมีสามวาระนะสัมปยุตตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณนะวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระ โนนาธิปัจจ no, ัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจแปดเคชานะสหชาตะอัญญมัญญานิสยะมัคระสำปรยุตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ดเคชานะสหชาตะนิสยามัคระวิปรยุตะอัตติ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 มัคคะอัทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจใจกับมีหนึ่งวาระและเหตุปัจจัยกับปัจใจเก้าเคชานะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะมัคคะสมประยุตตะอัทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระและเหตุาาปัจจัยกับปัจใจแปด เรชานะสหชาตะนิสยะวิปากะมะัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยเกเพรชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ สวิปากะห้สะอินทริยมขะคตนาหกร้สิเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือชานะสหชาตะนิสยาอินทริยะมขะขะะยนะคอน ะ, าา ะ, ะอัติและอวิคตะมีเจดวาระณนะอัญญามัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณนะอุปานิสยาปัจจัยกับมีเจดวาระณนะสัมำยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระ โนนัติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนละหิตุตปัจจัยกับปัจใจแปดคือชาณนะสหชาตะอัญญมัญญานิสยาอินทริยะมัคคะอัติและอวิคตะมีสามวาระนณสัมปยุตตาปัจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระและวิปยุตตปัจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีสามวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระแลนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย9าเคยชานะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยาอินทริยะมัคคะสำปรยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระแลนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย8เคยชานะสหชาตะนิสยาอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอัตติ และอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะ4ีเหตุปัจจัยกับปัจจัย8ปเคชาณนะสหชาตะนิสยาวิปากะอินทรียะมรรค ะ, ะอัตติและอวิคตตมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัยก้าเผอชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยาวิปากะอินทริยะมัคคะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัยสิทธิเผอชานะสหชาตะอัญญมัญญานิสยะวิปากะอินทรียะมัคคะ สัมปยุตตะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยเก้าเคยชานะสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะมัคคะวิยุตตะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยสิบเคยชานะสหชาตะ อัญญะมัญญะนิสยะวิปากะเอินตริยะมัคะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าชาณมูลกะในจบ